วันนี้ตอนเช้าก็เต็มห้องแล้วแล้วสายๆจะนั่งกันยังไงพ่อจะต้องทำสองชั้นนวดีนะศึกษาธรรมะไว้ในโลกมีแต่ความไม่แน่นอนเราต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนตลอดเวลางันถ้าใจเรายัางหวั่นไหวเวลากระทบกับโลกมันก็ต้องไหวไปทั้งชาติเลย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 อย่างหลวงพ่อก็หลายสอบหน่อยนะเกินมาตรฐานไปเป็นมาแต่บรรพบุรุษนะบนรรพบุรุษหลวงพ่อมีคนหนึงต้องขายรถเก่งนะเราซื้อปิกั p มานั่งถ้านั่งรถเก่งแล้วเข้าประตูระบากนี่คนทั่วๆไปก็โดยทั่วไปก็กายยาวาหนาคืบกว้างสองมีสัญญาและใจกลองเรียกว่าโลกซรครวมแล้วมีกายกับใจเรียกว่าโรค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 เพ่งเทียนอะไรอย่างเงี้ยนะไปจ่ออยู่ที่เทียนเลยไม่ใช่สติปัฏฐานที่จะใช้ทำํำวิปัสสนามันเป็นสติออกข้างนอกไปดะงั้นต้องสติปัฏฐานนะั้นมีสติรู้ระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของใจแล้วก็มีจิตที่ตั้งมั่นในการระลึก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 รู้สึกวันนี้หลวงพ่อเจตเทศยากเกินไปคนใหม่ๆเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเอาเวอร์ชั่นใหม่นะ เ, เวอร์ชันที่ยากไปลนะข้างหลังเริ่มงงแล้วนะเอาใหม่เอาใหม่เอาง่ายๆนะเคยทํากรรมฐานอะไรนะทําต่อไปนะเบื้องต้นนะหากรรมฐานมาทําสักอันหนึ่งก่อนนะอะไรก็ได้จนะรู้ลมหายใจก็ได้จะรู้ท้องฟองยุบก็ได้ จะเดินจงกรมก็ได้จะรู้อิทิยาบทสี่ก็ได้จะดูเวทนาอย่างท่านโคเอนก้าก็ได้จะดูจิตก็ได้อะไรก็ได้ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจเนี่ยเบื้องต้นทามันขึ้นมาสักก่อนแล้วก็คอยรู้สึกไปกยังยากอีกข้างหลังอุทธร์อีกแล้วไม่ยากไปเอาไงดีวะต้องเล่านิทานนะต้องเล่านิทาน ใครไม่เคยมามีไหมอันนี้ยกมือให้หลวงพ่อดูสิอ๋อมีหน้าเ่ะเอาใหม่เอาใหมนะ่เอาง่ายงายเลยนะหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อภาวนามายังไงหลวงพ่อตอนเด็กๆนะอายุเจ็ดขวบเนะี่ยพ่อพาไปตอนนั้นไม่ได้บวชเนรนะยังไม่ได้บวชหรอกอายุเจ็ดขวบ พ, พ่อพาไปวัดอโศการามไปกราบท่านพ่อดีวัดอโศการามท่านสอนให้หายใจ